มาจากที่ไหนอยู่มาจากกรุงเทพครับเกยมาหรือเปล่าพอดีมาเนี่ยมันคนเดียวเอาเป็นไปพามาดัายิงดันอยู่กุงเทพเลยเป็นไงอยากจะรู้เรื่องอะไรไหม ม่อะไรอยากจะรู้ว่าแบแค่นึกมาติงนี้ก็ปิติปลื้มใจสิมีใครอยากจะรู้ว่าอยากจะใทางว่าจะเล่าให้ฟัง <c oughs> เล่าเรื่องของพวกเราพวกเราเป็นเหมือนคนหนงทางหาบ้านไม่เจอ หาตัวเราไม่เจอไปหลงคิดว่าคนอื่นเป็นตัวเราแล้วก็ไปหลงรักเขาแล้วเขาพอเขาจากเราไปเราก็เสียใจร้องห่มร้องไห้คนที่เราไปหลงรักก็คือร่างกายเราเนี่เราไปหลงรักไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเรา เราเลยรักมันยิ่งกว่าตัวเรายอมทุกข์เพื่อร่างกายยอมทรมานเพื่อร่างกายต้องพยายามทาทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาป้องกันร่างกายไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บแต่ความจริงมันอยู่ไปได้ไม่นานร่างกายของ เราทุกคนนี่มันเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปแต่เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยกลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกลัวเพราะไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเพราะเวลามันแก่มันเจ็บมันตายนี่เราทำอะไรไม่ได้ หาความสุขจากร่างกายไม่ได้เอาร่างกายไปเที่ยวไม่ได้เอาร่างกายไปเล่นไปร้องลำมทำเพลงไปหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกดิ้นกายไม่ได้ <S <S 1> <S 1> เราจึงไม่ชอบความแก่ไม่ชอบความเจ็บไม่ชอบความตายกันแต่เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย คือร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความจริงเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเองแต่เราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเป็นเหมือนคนที่เอาโขนหัวโขนมาใส่หัวเราแล้วก็คิดว่าเราเป็นทศกัณฐ์เป็นนมุนมานแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นทศกัณฐ์ไม่ได้เป็นนัมมุนมาน เราเอาร่างกายนี้มาสวมหรือเราเราเข้าราเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเหมือนหัวโขนใช้มันทำอะไรต่างๆให้กับเราจนเราคิดว่าเราเป็นหัวโขนไปหัวโขนนี่มันก็เป็นของที่ใช่ไปเดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวมันก็เสีย เดี๋ยวมันก็พังไปร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนหัวโขนเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ตายไปเราเราต้องใช้มันเป็นเครื่องมือเราจึงไม่อยากให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บให้มันตายเพราะเวลามันแก่เรามันเจ็บมันตายนี่เราไม่สามารถใช้มันให้พาเราไปหาความสุขต่างๆได้ แต่เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราก็ทําดีที่สุดดีที่สุดก็คือพยายามรักษามันเราก็ทุกไปกับมันเพราะความพยายามที่จะรักษามันเพราะว่ารักษายัางไงก็รักษาไม่ได้ห้ามอย่างไงก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้ร่างกายนี้แก่ ไม่ให้ร่างกายนี้เจ็บไม่ให้ร่างกายนี้ตายห้ามมันไม่ได้เราก็เลยมาทุกกับร่างกายโดยใช่เหตุเพราะว่าเราสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายแต่เราไม่รู้เราลงไปคิดว่าเราต้องใช้ร่างกายต้องมีร่างกายร่างกายต้องแข็งแรงร่างกายต้อง สุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อเราจะได้หาความสุขอย่างที่เราหากันอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวเราก็กินเดี๋ยวเราก็ดื่มเดี๋ยวเราก็ดูเดี๋ยวเราก็ฟังแล้วเวลาที่เราไม่สามารถที่จะดื่มได้กินได้ดูได้ฟังได้ เราก็ไม่สบายใจบางทีร่างกายเราดีแต่สิ่งที่เราอยากจะดูเราไม่มีปัญญาหามาดูสิ่งที่เราอยากจะกินเราไม่มีปัญญาหามากินมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการที่เรามาใช้ร่างกายใช้สิ่งต่างๆที่ร่างกาย ามาให้ความสุขเพราะว่าบางทีมันก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้บางทีได้มาแล้วก็เสียไปได้แฟนมาแล้วบางทีก็เสียแฟนไปได้ลูกมาแล้วบางทีก็เสียลูกไปได้สมบัติมาแล้วบางทีก็เสียสมบัติไปพอได้อะไรมา เราต้องเสียสิ่งที่ได้มานี่ก็เสีย อ, อกเสียใจกันร้องหยร้องไห้กันนี่คือวิธีการหาความสุขของพวกเราเราหาความสุขโดยใช้ร่างกายกับใช้สิ่งที่ร่างกายหามาได้ร่างกายเรามีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายไปหาราบหาเงินหาทองอหาตำแหน่งต่ำตัง หาเกียรติยศไปเป็นผู้ใหญ่บ้านไปเป็นกำนันไปเป็นนายกเทศมนตรีไปเป็นนายกอบาตาอบาจาไปเป็นผู้ว่าเมืองไปเป็นสอสอไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นนายกหรือถ้าไปรับราชการก็ไปเป็น ในสิบในร้อยในพันในพันเวลาได้มาก็ดีใจได้มาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มเป็นในสิบแล้วก็อยากจะเป็นในร้อยเป็นในร้อยก็อยากเป็นในพันต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาแล้วก็เสียไปก็เสียใจ ไดเป็นสอสอเดี๋ยวก็หมดวาร ะ, ะเป็นนายกเดี๋ยวก็หมดวาระไม่หมดวาระก็ถูกเขาปฏิวัติไปก็มีเวลาเสียไปก็เสียใจทุกข์ใจนี่คือความสุขของพวกเราจากการหาสิ่งต่างๆสุขตอนที่ได้มา เอาะไรติดตัวเราไปได้เราไม่รู้ว่าเราไปไหนเสียด้วยซ้ำไปเราไม่รู้เราเป็นใครเสียด้วยซ้ำไปเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายตายไปเราก็ไปที่เมนเท่านั้นเราเห็นร่างกายใช่ไหมเวลาตายไปเข า, เาไปที่ไหนเขาก็ไปที่ mm hmm. เมนะแล้วเขาก็ไปเผากลายเป็นขี้เถ้าไปกลายเป็นเศษกระดูกไปเราก็คิดว่าชีวิตเราก็มีแค่นี้ ถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราไม่เห็นตัวที่ไปนรกตัวที่ไปสวรรค์ตัวที่เวียนว่ายตายเกิดเพราะมันไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายแต่มันมีอยู่มันเป็นตัวเราตัวเราออกจากตัวนี้ละ ตัวที่คิดตัวที่รู้เนี่ยไม่ได้เป็นร่างกายเราเรียกว่าจิตใจร่างกายนี้จะทำอะไรได้ต้องรอคารับคำสั่งจากจิตใจก่อนต้องรอรับรับคำสั่งจากตัวรู้ตัวคิดก่อนถ้าตัวรู้ตัวคิดไม่สั่งมันก็ร่างกายก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เห็นตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้คิดจะลุกไปไหน นางกายมันก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะสั่งให้ลบให้ไปทำอะไรต่อไปจะมานี่ก็ต้องคิดกันก่อนคิดว่าจะมาที่นี่แล้วก็พอถึงเวลาก็สั่งให้เดินมาขึ้นรถมาขับรถมาลงจากรถก็ให้เดินมาขึ้นมาที่ศาลาเ่ยไอ้ตัวนี้นหละไม่ใช่ตัวร่างกายตัวรู้ตัวคิดเนี่ยเราเรียกว่าจิตใจ เวลาอยู่ร่างกายแล้วก็เรียกว่าจิตใจเวลาร่างกายตายไปไอตัวนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไอตัวร่างกายนี่เป็นเหมือนตัวหัวโขนเนี่ยแต่อีตัวร่างตัวที่สวมหัวโขนนี่ไม่ได้ตายไปกับหัวโขนตัวจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับหัวโขนพอไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกว่าดวงวิญญาณพอ ทางกายตายไปแล้วเขาบอกว่าดวงวิญญาณไปแล้วตัวนี้แหละที่ไปสวรรค์ไปนรกไปเกิดใหม่ถ้าทำบุญมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์ถ้าทำบาปมากกว่าบุญก็ไปอบายไปนรกแล้วพอบุญกับบาปไม่มีกำลังดึงไปนรกไม่มีกำลังดึงไปสวรรค์ก็กลับมาได้นั่งกาย อันใหม่ได้เป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาสวมหัวโขนใหม่กลับมาอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ใหม่อยากได้ลาบใหม่อยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้ตำแหน่งอยากได้มีความสุขทางตาหูจมูกกลิ่นกายอยากดูอยากฟังอยากเที่ยวอยากเล่นอยากมีแฟน นี่คือวิธีการหาความสุขโดยใช้ร่างกายแต่ก็เดี๋ยวก็หมดร่างกายเดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาเจอพระพุทธเจ้าเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเจอพระอาหารหันตสาวกท่านเหล่านี้ ท่านรู้ความจริงที่พวกเราไม่รู้กันท่านรู้ว่าใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปใจนี้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านก็รู้วิธีที่จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดรู้วิธีที่ไม่ต้องไปไปบุญไปสวรรค์ไปนรกไม่ต้องไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย แล้วก็ได้ไปที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายคือที่ที่ไม่ไม่มีหัวโขนให้มาเล่นเลิกเล่นเลิกใช้หัวโขนมาใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะมีมีความสุขอีกแบบหนึง่งที่พวกเราไม่รู้จักกันคือความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย มันต้องใช้หัวโขนความสุขนี้ก็คือการทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วก็จะพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะมันเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆมันไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พอร่างกายแก่เจ็บตายไปความสุขที่ได้มาทางร่างกายก็หมดไปแต่ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้มันอยู่กับใจแล้วใจก็ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บมันก็จะอยู่กับใจไปเรื่อยเมื่อมันมีความสุขทางใจมันก็ไม่ต้องมาหาความสุขทางร่างกายมันก็ไม่ต้องมาเกิดมามีร่างกายอก นี่แนะคือความสุขของพระพุทธเจ้าความสุขของพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านหาความสุขทางใจกันหาความสุขจากการปฏิบัติรมกันทำทานรักษาศีลภาวนากันแล้วท่านก็จะได้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวร เราก็ไม่ต้องใบเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปนรกไม่ต้องไปสวรรค์เมือออย่างที่พวกเรากำลังจะต้องไปกันอยู่เดี๋ยวตายไปเดี๋ยวก็บุญกับบาปก็จะมามาแย่งเอาใจของเราไปใจของเราเป็นเหมือนนักโทษจะมีจะมีเหมือนกับผู้คุมนักโทษ มาจากสองแห่งจะมาแย่งเอาใจเราไปฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็เอาไปบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะเอาใจไปสวรรค์บาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปนรกดึงไปอบายให้ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกนรกก็คือ ไฟในดีนี่เวลาเรารุ่มร้อนใจนี่เรากำลังตกนะเรกทั้งเป็นเวลาเราโกรธเกลียดเคียดแค้นคาดพยาบาทนี่ไฟนั้นเรกเกิดขึ้นแล้วเวลาเราทุกข์ด้วยความโลภด้วยความหิวโหยนี่ไฟของเปรตมาแล้วความหิวโหยนี่ทำให้เราเป็นเปรตความโกรธเกลียดเคียดแค้นนี่จะทำให้เราเป็น เป็นนรกเลแล้วการทําบาปโดยไม่รู้ว่าบาปนี้มันจะทำให้เราเป็นเดรัจฉานอย่างสุนัขแมวสัตว์พวกนี้เขาไม่รู้จักบาปเขาขโมยของคนอื่นกินอยู่เรื่อยเพราะเขาต้องมีอะไรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเขาก็ทำไปตามความจําเป็นในการเลี้ยงชีพ แต่พอถ้าเขาเขาได้กินแล้วก็อพอเขาไม่สะสมเหมือนเปรตเปรตกินอิ่มแล้วไม่พอต้องเอามาซ่อนเอามาเก็บไว้เอามาเก็บไว้เยอะๆอยากได้เยอะๆอยากมีเยอะๆพวกที่อยากมีเยอะๆนี่พวกเปรตเรา้าไปหามาโดยการทำบาปถ้าหามาโดยไม่การทำบาปนี้ไม่เป็นเปรต ถ้าเราไปทำมากินโดยอาชีพสุจริตแล้วได้เงินทองมาเยอะๆอย่างนี้ยังไม่ได้เป็นเปรตไปเป็นเปรตตอนที่เราไปทำหาเงินโดยวิธีทำบาปไปโกงเขาไปหลอกลวงไปทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพื่อให้เราล่ำรวยให้เราใหญ่ให้เรามี ส, บสมบัติมากๆ ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้ล้านก็อยากจะได้เป็นสิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้เป็นร้อยล้าน <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องของใจเรื่องของตัวเราเนี่ยใจก็คือตัวเราเนี่แหละเราคือผู้รู้ผู้คิดแต่ตอนนี้เราหลงคิดผิดเราต้องมาอาศัย ความคิดของพระพุทธเจ้าอาศัยความคิดของพระพระสาวกทั้งหลายออที่จะสอนนีไปที่อื่นได้ไหมไปที่อื่ น, นถ้าเราไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาไม่ได้เจอกับพระธรรมคําสอนไม่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เจอกับพระสาวก เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสแต่ ช, ชานี้พวกเราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราได้มาเห็นคนที่เขาหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญพระที่บวชนีบวชทพระที่บวชจริงๆพระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบนี่ท่านไม่ได้ใช้ร่างกายหาความสุขท่านใช้ร่างกายหาความสงบเดินจงกรมนั่งสมาธิความจริงการไม่มีร่างกายเราก็หาความสงบได้เพราะความสงบไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ร่างกาย กิดอยู่ที่สติอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญานันถึงแม้ว่าร่างกายเราเจ็บเดินไม่ได้นอนอยู่บนเตียงเราก็ยังทำใจให้สงบได้ถ้าเรารู้จักวิธีเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญายังถือว่าไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข แต่ใช้ธรรมที่มีอยู่ในใจของเราแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดเราต้องปลุกกำมันขึ้นมาปลุกสติขึ้นมาปลุกสมาธิขึ้นมาปลุกปัญญาขึ้นมามันอยู่ในใจของเราแต่เราเอากิเลสไปทับมันไว้เอาความโลภความโกรธความหลงความอยากไปทับมันไวสติสมาธิปัญญามันเลยโผล่ขึ้นมาไม่ได้เราต้อง ขัดเกา่าเอาความโลภความโกรธความหลงเอากิเลสตัณหาออกไปจากใจนะพอเอาออกไปแล้วสติสมาธิปัญญาก็จะโผล่ขึ้นมานะนี่คือการหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ราบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรส พระที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาจะไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีรากยศสารเสยเป็นพรา ป, ป่าทั้งหลายตั้งแต่สมัยพระพุทธการนั่นอยู่ในป่าถ้าไม่ได้ไปหาบุญบังสังสว่วนสมัยนี้บวชแล้วแทนที่จะไปหาสติสมาธิปัญญาก็ไปหาบุญบังสังส่วนกันไปหางานบุญใช่ไหม ที่ไหนมีงานบุญนี้โอ้พระไปกันเป็นร้อยเป็นพันงานบุญวันเกิดของอาจารย์งานบุญฉลองโบสถ์งานบุญฉ ล, ลองเจดีย์นี่มลพระไปเป็นร้อยเป็นพันไปทาอะไรไปรับซองกันไปรับซองไปรับประทานกันไปกินกันสมัยนี้ก็หากันแบบนี้บวชมาเพื่อหาบุญบางสังส่วนหาบุญแล้วเดี๋ยวก็ไปหาบังต่อ บางก็บางสุกุลเนี่ยเดี๋ยวก็ไปตามซาลาสวดศพทั้งหลายอันนี้จะวตาสร้างฆ่าลาเดี๋ยวสวดเสร็จก็ซองมาละเราไม่ถวายซองหนึ่งดูจะมาไหมเราไม่จัดงานศพแล้วไม่ถวายซองหนึ่งจะนีมนภาพมาสวดบางสกุลได้เปล่าก็มีผ้า ป, ปา่า น, นัะที่ถ้าจะไปก็มีผ้า ป, ป่าไปเนี่ยผ้า ป, ป่าไปเขาก็ไม่ไปรับซอง อย่างลงตาท่านเคยเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านบำเพญ็ญท่านปฏิบัติอยู่ในป่าอยู่ใกล้หมู่บ้านแล้วมีหมู่บ้านนั้นมีโรคระบาดคนตายทุกวันชาวบ้านก็ไม่มีพระก็มีท่านก็นิมนต์ท่านไปบังสกุลทุกวันจนท่านติดโรคมาเป็นโรคไข้ป่าหรือโรคอะไรไม่รู้ท่าบอก ตัวท่านเองก็ใช้ธรรมโอสถ ร, รักษาไข้ขึ้นแต่ที่ท่านก็ไม่กินยานั่งขัดสมบัติใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาแยกกายแยกใจแยกเวทนาพอใจสงบโรค ก, ก็หายไม่ตายแต่คนที่ไม่มีธรรมโอสถไม่มียาก็ตายตายก็นิมนต์ท่านไป บางสากุลชาวบ้านเ้าก็ไม่มีสองไม่มีอะไรถวายเทาอย่างมากก็ใส่บาทให้ตอนเช้าเวลาไปบิณฑบาตอันนี้ก็เปรียบเทียบไม่ฟังว่าพระสมัยพุทธการหรือพระที่หาความสุขทางใจกับพระที่ยังหาความสุขทางร่างกายอยู่ ความสุขทางร่างกายก็ต้องมีซองเพราะมันต้องซื้อนู่นซื้อนี่ไปนู่นมานี่ไปอินเดียไปต่างประเทศอย่างนี้ไปไกลค่าใช้จ่ายสูงอต้องหาซองมากหน่อยอบุญดาบบังแล้วบุญบางสังแลสังกสังฆทานงานบนุญงานบางสกุลงานสังฆทาน แล้วก็งานสวดต่างๆเดี๋ยว ก, ก็สวดสวดให้พรวันเกิดสวดขึ้นบ้านใหม่ตอนนี้มลพระไปสวดกั น, มม น, กนเปิดร้านใหม่วันเกิดงานครบรอบแต่งงานอะไรงานมงคลทั้งหลายล้วเรืยกว่อ ง, งานสวดงานสังฆทานก็ถวายสังฆทาน อย่างดีนี้พระจะทากิจเสี่ยงนี่กันเป็นหลังนะบุญบางสังส่วนแต่เรื่องเรื่องเรื่องการปฏิบัตินี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้บางคนมาบวชแล้วไม่เคยเรียนเลยบวชป้ามหาท่องท่องท่องยะถาท่องอนิจจาวัตถสังขาราแนละ้วท่องได้สวดได้ก็รับกินิม่มนได้นะ ญาติโยมก็ไม่อยากจะได้เลยสมัยนี้เข้าวัดก็ไม่อยากจะเรียนไม่ได้อยากจะฟังเทศฟังธรรมไม่อยากจะศึกษาหาความรู้ที่ว่าเข้าวัดก็เพื่อที่จะมาทาบุญบางสังส่วนนี่ยใช่ไหมเวลามีเหตุก็ไปละไม่สบายใจก็ไปถวายสังฆทานนิดหหรือเวลามีงานบุญก็ไปกันเอาฉะร้องโบสถ์จะร้องเจดียจะร้องเอา พัดยศของเจ้าอาวาสฉลองตำแหน่งของเจ้าอาวาสนะก็ญาติโยมก็สนใจแค่นะสนใจแค่บุญบางสังส่วนมันก็เลยไปด้วยกันได้ดีนะทั้งพระ ท, ทั้งโยมชอบอย่างเดียวกันญนะาติโยมส่วนใหญ่ไม่ชอบพระปฏิบัติเพราะพระปฏิบัตินี้จะมีแต่สอนเกิดแก่เจ็บตายฟังแล้วก็ไม่สบายใจนะ สอนให้นั่งสมาธิพุทโธพุทโธไม่เอาเขา อ, อยากจะเอาง่ายๆเอาบุญง่ายๆแต่วายข้าวของเสร็จยาถาสัพพีเสร็จไปแล้วพอแล้วได้บุญแล้วแต่บุญเหล่านี้มันไม่พอต่อการที่จะทำให้ใจสงบทำให้ใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไป ใช้ร่างกายใช้อย่างอื่นมาให้ความสุขทำบุญก็ได้ความสุขเหมือนกันแต่ความสุขเดียวๆก็ดีกว่าไม่ทำดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวถ้าถ้าให้ให้เลือกระหว่างเอาเงินไปเที่ยวกับเอาเงินไปทำบุญเงินที่เอาไปทำบุญนี่จะได้ความสุขมากกว่าบุญที่เอาไปเที่ยวไม่เชื่อลองลองลองดูเลย วันไหนอยากจะไปเที่ยวเปลี่ยนใจว่าเอาเงินนี้ไปทําบุญแทนเราดูความรู้สึกที่ใจว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันมันก็ดีตรงนั้นบุญมันก็ดีตร น, นัแล้วมันจะช่วยทําให้เร า, เ, าเลิกเที่ยวได้ถ้าทุกครั้งเราอยากจะเที่ยวแล้วเราเอาเงินไปทําบุญแทนไม่ไปเที่ยวต่อไปเราก็ไม่ไม่ต้องเที่ยวก็ได้เพราะเราได้ความสุขจากการทําบุญ ที่ที่ดีกว่าบุญที่ได้จากการไปเที่ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันได้เฉพาะตอนที่ไปนะพอกลับมามันก็หมดไปแล้วแล้ว เ, เหลือแต่ความอยากไปเที่ยวใหม่ก็ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยก็ต้องไปหาเงินมาเที่ยวอยู่เรื่อยก็ต้องเหนื่อยกับการหาเงินเหนียวกับการไปเที่ยว แต่ถ้าเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญเนี่ยความอยากไปเที่ยวมันก็จะน้อยลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปเราก็ไม่ต้องไปหาเงินมาเที่ยวไม่มีเงินเที่ยวเราก็ไม่เดือดร้อนอยู่บ้านเฉยๆได้มันดีตรงเนี้ยการที่เอาเงินที่จะไปเที่ยวมาทําบุญนี่คือการทําทานที่ ที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำทำทางเพื่อตัดความอยากใช้เงินไปในทางที่ไม่ดีได้เงินไปกับการเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จําเป็นที่ต้องมีซื้อมาล้นบ้านเต็มบ้านแล้วเวลาไม่สบายใจมันดับความทุกข์ใจเราได้นะไม่ไม่ได้หรอก ความทุกใจส่วนนี่ก็เกิดจากการอยากจะซื้อของต่างๆอยากจะเที่ยวอยากจะหาความสุขจากการใช้เงินพอเราเลอกใช้เงินหาความสุขแบบนี้ความทุกข์ล่านี้ก็หมดไปต่อไปไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินเที่ยวก็ไม่ไ ม, ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินไปชอปปิ้งก็ไม่เดือดร้อนอยู่บ้านใช้เงินเฉพาะสิ่งจำเป็นจริงๆก็คือซื้ออาหารมากินน่น บ้านก็มีอยู่แล้วเสื้อผ้าก็มีอยู่แล้วก็มีอาหารกับยาเวลาไม่สบายหรืต้อจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรเท่านั้นเองชีวิตก็จะสบายขึ้นเยอะไม่ต้องดิ้นลนหาเงินหาทองแล้วก็ไปเสี่ยงกับการทำบาปเวลาอยากจะได้เร็วๆได้ง่ายๆก็ต้องโกหกบ้างโกงบ้างเพื่อที่จะได้เงินมา ใจก็กลายเป็นเปรตไปโดยไม่รู้สึกตัวก็วอยากได้เงินมากๆอยากได้เที่ยวอยากได้เรื่องมากๆอยากได้ของมากๆอยากได้กินมากๆอยากได้ดื่มมากๆ ก, <c oughs> การกระทาแบบนี้มันไม่ได้ทำให้ใจดีขึ้นทำให้ใจเร็วลงเร็วเพราะการทำบาปเ <c oughs> <c oughs> วียนว่ายตายเกิดเพราะความอยาก ร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากอยู่ในใจมันก็ดึงใจให้ไปหาร่างกายไปหาเงินทองหเพื่อที่จะได้ไปซื้อความสุขต่างๆใหม่วิธีเลิกการเลิกใช้เงินทองหาความสุขก็คือเอาเงินทองที่จะไปซื้อความสุขต่างๆนี้มาทำบุญหรือมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟมาอยู่วัด จ่ายค่าอาหารแล้วเราก็อยู่วัดปฏิบัติธรรมไปมาเจริญสติสมาธิปัญญาดีกว่าจะได้เลิกใช้ร่างกายเลิกใช้เงินเลิกใช้รูกเสียงกลิ่นรถเป็นเครื่องมือหาความสุขมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติถ้ามีสติใจก็จะสงบเป็นสมาธิพอใจเป็นสมาธิใจนิ่ง ใจก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยได้มาความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายนี้สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้พอได้ความสุขแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องมีอะไรนะไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีตาหูจมกูกเล่นกาย ้เราสามารถรักษาความสงบได้คุมความอยากได้ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ต้องใช้ปัญญาฆ่ามันต้องสอนว่าทำตามความอยากก็นำไปสู่ความทุกข์ที่เคยเป็นอยู่นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดพออยากแล้วมันไม่มไม่ใช่อยากขนเดียวแล้วมันจะพออยากกินอะไรอยากดื่มอะไรไม่ใช่กินปับ๊บดื่มปับ๊บแล้วก็พอ มันจะเกิดความอยากใหม่ตามมาอยู่เรื่อยๆเห็นไหมคนสูบบุหรี่นี่สูบวนเดียวพอไหมสูบไม่รู้กี่ร้อยซองสูบไปเยัะค่างปอดพังคนดื่มเหล้าก็เหมือนกันดื่มขวดเดียวแล้วพอไหมหรือใบ้ค่งนขางลำไส้กระเพาะลำไส้พังตับตายไส้พุงพังเพราะสุราเพราะหยุดดื่มไม่ได้พอเริ่มดื่มแล้วมันติด มันจะมีความอยากตามมาเรื่อยๆคนเที่ยวก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆเที่ยวไปจนกว่าเงินหมดเรือร่างกายไปไม่ไหวพอไปไม่ไหวอยู่บ้านก็ซึมเศร้าไว้เหงาดีไม่ดีก็จะคิดข้าวตัวตายเพราะไม่สามารถท้าความสุขได้แล้วนี่ละคือเรื่องของพวกเรากับเรื่องของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่เจอพระพุทธศาสนาไม่เจอพระธรรมคำสอนไม่เจอพระสงฆ์สาวกเราก็จะไม่เรองเรื่องการหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขแบบท้าวรแบบแบบที่ไม่ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องหาด้วยเนี่ยการมาอยู่วัดม า, มารักษาศีลแปดมาเจริญสติ ก็กลุ่มความคิดความคิดนี้มันทำให้ใจเราไม่สงบสตินี้จะทำให้ใจเราสงบพอใจสงบแล้วก็จะได้สมาธิสมาธิก็คือความสุขใจความอิ่มใจพอใจไม่หิวกับอะไรไม่อยากกับอะไรแล้วถ้ามีความอยากโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนสอนสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะทำแล้วมันจะไม่มีวันจบ ทำแล้วก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่ได้ทําก็ทุกข์เวลาได้สิ่งที่ชอบมาเวลาเสียไปก็ทุกข์เวลาตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่นี่คือโทษของการทําตามความอยากดนั้นเราต้องไม่ทาตามความอยากฝืนมันด้วยพุโทโธด้วยสติด้วยปัญญาถ้าฝืนมันไปได้ครั้งสองครั้งต่อไปมันก็หมดกำลังเอง คนที่เลิกเลาก็เลิกเพราะว่าไ ม, ไม่ทำตามความอยากอยากดื่มก็ไม่ดื่มพ อ, อพอไม่ดื่มครั้งต่อไปความอยากมันก็อ่อนกำลังลงไปเดีไม่กี่ครั้งมันก็หายไปเนี่ยเราสามารถทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้ด้วยการมีสติมีสมาธิและมีปัญญาแล้วเราก็จะได้พบกับความสุข ที่ถาวรล้วเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราจะอยู่ที่นิพพานนิพพานก็คือที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายมีแต่ความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังมีแต่ความว่างนิบานังปรมังสุญญงว่างจากราบยศสรรเสริญว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะ ว่างจากภพชาติว่างจากตัณหากิเลสตัณหาว่างหใจไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจก็จะจะมีแต่พอไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในใจก็มีแต่ความสุขนี่แหละคือตัวเราเรื่องของเราที่เราไม่รู้จักเพราะเราไม่มีใครสอนทุกคนก็สอนว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้วก็ยึดติดกับร่างกายจนทุกข์กับร่างกาย เกิดมากี่ครั้งก็ต้องมาทุกกับร่างกายทุกครั้งทุกเพราะไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายแต่พอเรารู้จักวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่สนใจเรื่องของร่างกายมันจะแกะ่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ไม่สนใจเพราะเราไม่ต้องใช้มันแล้วเรามีสติสมาธิปัญญาแทนดีกว่าร่างกาย พสติสมาธิปัญญาพอเราสร้างขึ้นมาแล้วมันจะไม่จากเราไปมันจะไม่หายไปมันจะอยู่กับเราไปตลอดมันจะให้ความสุขกับเราไปตลอดนี่คือเรื่องของพวกเราที่พวกเราได้มาได้ยินได้ฟังกันในวันนี้ถ้าสามารถนำเอาไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระาวุทั้งหลายได้ปฏิบัติ เราก็จะได้ผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้ผลกันคือเราจะได้ความสุขที่ถาวรเราจะไม่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอันนี้เข้ามาเท่ า, าไหร่นะส8 3ร้ <58 3. S 3> อยสิบสามร้อยปดสิบู่ทก็ประมาณ5้าสิบคนครับพระอาจารย์เออเยวก็เยอะขึ้นเองคนนู้อัไหน้ รไปไหนให้เราลลูกไปมีธุระก็ไปอามาเลยจะพาเลยกลับได้มีธุระก็ไปได้ไม่ได้ไม่ได ja ้บังคับให้อยู่ใช่ใครอยากจะอยู่ก็อยู่ไปรักษาตัวมาแล้วเหรอแยกลอยว่าจะเรียนถามพอาจารย์กันว่าการแยกกาออกจากจิต ที่ปรานเพเพิ่มเทไปมั้งหนู่าทําตอนที่หนูผ่าตัดตอก็รู้สึกว่าอ๋อยังห้องผ่าตัดมาก็ไม่ไม่เจ็บไม่ปวดเลยอซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าหมอเก่งหรือว่าทําได้เองด้วยส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่ใจเราแหละที่ปวดบางทีปวดทางใจเพราะไม่อยากเจ็บหรืออยากให้มันหายเจ็บมันก็เลยปวดทางใจขึ้นมาถ้าใจปล่อยความเจ็บ ว่าเจ็บก็เจ็บไปเราก็มีหน้าที่รู้ก็รู้ไปแต่อย่าไปอยากแล้วความเจ็บมันจะน้อยลงไปความทรมานมันจะน้อยลงไปก็รู้สึกว่าไม่ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยหรยาแก้ปวดก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไปได้ตามที่หมอให้ก็ง่าก็สบายถ้าใจสงบนี่ส่วนใหญ่เวลาร่างกายเป็นอะไรนี่ไม่ต้องกินยาแก้ปวด เพาความปวดส่วนใหญ่มันปวดที่ใจแล้วพอใจมันสงบมันไม่ปวดมันก็ไม่เห็นก็ต้องกินกินก็ไม่มีผลต่างกันเท่าไหร่กินก็ดีมันทำให้ความเจ็บทางร่างกายมันเบาลงไปแต่ทางใจมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงว่อเอาซีดีพัดฟัฟังอ่องาโรงพยาบาลอะไรเเดี๋ยวนี้ก็เอ า, ามือถือเข้าไปฟังได้ มีถ่ายทอดสดทุกวันเนี่ยถ่ายทอดสดอยู่ทุกวั น, ว น, วนไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้หมอบอกว่าได้ยาดีอย่างนี้เองธรรมโอสดนี่ยาวิเศษทําใจให้สงบแล้วจะทําให้โครคภัยแค่เจ็บนี่ไม่รุนแรงที่รุนแรงที่มันรุนแรงที่ใจใจไปมีความรู้สึกกับมันเองความจริงโรคของทางร่างกายมันก็ เป็นธรรมดาธรรมดาแต่ใจเราไปป่วนกับมันเองไปวุ่นกับมันเองไปกลัวมันไปอยากให้มันหาย <S <S 1> <S 1> เห็นไ่มเด็กที่จะถูกจับฉีดยาเ น, นี่ยมันร้องโวยวายไม่ยอมฉีดเนี่ไอเด็กที่มันยอมให้ฉีดเองมีปัญหาเลยจิ้มจิกเดียวก็เสร็จแล <S <S ้วนั่นแหละความปวดทางใจกับทางร่างกายเอาโมมีอะไรเข้ามาเลย ถามได้เลยของใครก่อน youtube ก่อนเนะี youtube มีปัญหาไหมมีครับบริการ youtube ก่อนคํถาถามจาก youtube ค่ะคุณำ ถ, ถามจากคุณแอนในขณะที่เราท่องพุทโธตอนนั่งสมาธิเราจําเป็นต้องวางจิตเราไว้ที่ส่วนไหนของร่างกายหรือเปล่าคะไม่จําเป็นละ่ะถ้าพุทโธก็ให้วางจิตอยู่กับคำพุทโธไปอให้เกาะติดอยู่กับคาพุทโธเมือขี่มา้า เราขี่พุโทโธไงพุโทโธพุธโทโธอย่าตกมาถ้าตกม า, าเดี๋ยวมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นอให้ อ, อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปอยู่ที่ลมไม่ต้องไปอยู่ที่อะไรเวลานั่งนะแต่ถ้าเวลาทํางานนี่ก็ต้องอยู่ที่งานที่เราทําแล้วก็ใช้พุโทโธคอยกันไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นเพราะบางทีเราทํางานไปเราก็ยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็ใช้พุโทโธดึงกลับมา เอาลองแปลงฟันก็ให้อยู่แปลงฟันไปพูดโทรไปได้ถ้ามันไม่ไปคิดอะไรก็ไม่ต้องพูดโทรก็ได้ให้มันอยู่กับการแปลงฟันไปอยู่กับการล้างหน้าล้างตาไปคือไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆเพราะความคิดนี้มันทำให้ใจฟุ้งทำให้ใจยากทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจมีความไม่สบายอกไม่สบายใจเราต้องการหยุดความคิดพอหยุดความคิดแล้วมันจะสบายเย็น ยัไงไงมาอยู่หยุดความคิดได้ยังอสองวันแรกคงพุ่งหน้าดูนะได้ค่ะจเริ่สติอยู่แบบนี้ก็ได้จะเริ่สติที่นั่งท่าไหนก็ได้ใช่ไหมครได้ถ้าจะเริญสติอยู่ทุกิริยาบุตรเวลานั่งสมาธิก็ต้องนั่งเท่านั้นถ้าต้องการสงบต้องนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหรือพุโทโธไปฟังทำแล้วก็เอาตัวจีบไปไปจับที่เสียงทาได้มันก็จะได้ด ไ, มไม่ไปคิด ลองมานั่งสมาธิดูสติยังเป่าอยูเหมือนนุ่น ย, ย, ยังไม่ได้นี่คะอ่าก็ทำไปเรื่อยสติยังมีกําลังไม่มากพอ่ะอะคุณแอนเล่าต่อคําถามจากคุณจูนเวลามองคนสัตว์สิ่งของต่างๆจะเห็นแบบทื่อๆเหมือนมองก็มองผ่านตาลงมาจะเป็นอะไรไหมคะและควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อคะ ถ้ามองแล้วไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงก็ดีเออดูแล้วสักแต่ว่าเห็นทองนั้นไม่มีไม่ใช่เห็นทองแล้วตามลูกวาวอยากจะได้เห็นอุจจาระก็อยากจะเดินหนีต้องเห็นอุจจาระเหมือนกับเห็นทองเห็นทองเหมือนกับเห็นอุจจาระเข้าจไหมอใจต้องเป็นกลางต้องเห็นว่ามันเท่ากันมันเป็นธาตุดินเหมือนกันเข้าใจอ้าวเกณฑ์ก็กิน เอามาทำน้ําหอมก็ได้น้ําหอมชนิดใหม่ไงถ้าเราหัดดมบ่อยๆมันก็ชอบเองอะคำถามจากเต๊ดบล็อกไลฟคำถามจากคุณไฟมินิขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายวิธีปฏิบัติแบบกายะกาสติ อ๋อก็คือให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายพอลืมตาขึ้นมาก็ดูตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนกําลังนอนใช่ไหมเดี๋ยวก็จะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําก็ให้รู้ ก, กําลังลุกแล้วกำลังยืนแล้วกำลังเดินล้ให้มีสติคู่ไปกับร่างกายให้ใจอยู่ติดกับร่างกายไม่ให้ใช่พอลืมตาขึ้นมาคิดแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้จะไปหาคนนู้นไปทําแม่นู้นไอ้นี่ แล้วก็ลุกไปทําคิดทําไปคิดไปอย่างนี้ไม่ได้ให้ทำอยู่กับให้อยู่กับร่างกายอย่างเดียวถ้าจะคิดอะไรก็นั่งเฉยๆแล้วคิดให้พอหรือยืนเฉยๆอ่าอยากจะคิดว่านี้วันอะไรต้องไปเจอใครต้องไปทําอะไรก็คิดไปพอคิดเสร็จแล้วต้องไปเตรียมตัวก็หยุดคิดละตอนไปเตรียมตัวก็อยู่กับการเตรียมตัวอาบน้ําก็อาบน้ําอยู่กับการอาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าก็อยู่คับแปรงฟันล้างหน้า แต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารขับรถไปเดินทางไปก็ให้อยู่กับการการทํางานของร่างกายไปเรียกว่ากายกตาสติถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็ใช้พุทธโธช่วยก็ได้ใช้พุทธโธหนึ่งกลับมาพุทธโธพุทธโธไปบางทีขับรถไปใจลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ใช้พุทธโธหนึ่งกลับมาแต่ต้องดูการขับรถเป็นหลัก ไม่ใช่อยู่กับพุทธโธแล้วรถมันจะชนใครไม่ชนใครไม่สนใจไม่ได้นะต้องดูรถก่อนแล้วก็พุทธโธเป็นเครื่องมือช่วยช่วยไม่ให้ไปคิดอย่างนี้เรียกว่ามีมีสติอยู่ที่ร่างกายอันนี้เป็นวิธีเจริญสติที่พระเจ้าทรงสอนกายากาตาสติให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวทุกเอเรียบุตร ไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดินบินทบาทรับบาทปิดฟ้าบาทให้มีสติอยู่กับการกระทาของร่างกายไม่ให้ไปที่อื่นแล้วจิตจะนิ่งจิตจะอยู่ในปัจจุบันจะไม่คิดมากแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะสงบง่ายเวลานั่งสมาธิก็เปลี่ยนจากกายกตาสติมาเป็นอนาปนาสติ พอตอนนั่งเฉยๆร่างกายมันไม่เคลื่อนไหวแล้วมันไม่ได้ทําอะไรก็ให้มาดูลมหายใจแทนอานาปนาสติแปลว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติแปลว่าให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็เลยเรียกว่าอานาปนาสติให้ดูตรงที่ปลายจมูกตรงที่ลมเข้าออกเฝ้าอยู่จุดเดียวอย่าอย่าตามลมเข้าไปให้อยู่จุดเดียวมันถึงจะนิ่ง บางคนก็ไปดูที่หน้ากลางหน้าอกก็ได้ถ้าไปดูที่กลางหน้าอกเขาก็มีมีสูตรว่ายุบหนอพองหนอตามเวลาลมเข้าไปมันก็พองเวลาลมออกมามันก็ยุบท้องเราหน้าท้องหน้าอกเรามันพองมันยุบตามลมเข้าลมออกเขาก็เลยใช้ยุบหนอพองหนอเป็นตัวคอยดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่น แตความจริงไม่ต้องใช้ยุบหนอพองหนอก็ได้ให้รู้เฉยๆก็ได้รู้กำลังรู้ว่ากำลังพองรู้ว่ากําลังยุบให้รู้แค่นั้นถ้าดูลมที่ปลายจมูกก็ให้รู้ว่ากําลังเข้ากําลังออกสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดให้รู้ตามความจริงไม่ให้ไปบังคับลมถ้าบังคับลมนี่จิตทํางานจิตทํางานจิตก็จะไม่สงบเราไม่ต้องการให้จิตทํางานต้องการให้จิตปล่อยวางทุกอย่าง เวลานั่งเราก็ปล่อยวางร่างกายแล้วไม่ไม่ใช้ร่างกายทำงานก็ไม่ต้องคอยควบคุมมันดูลมก็อย่าไปควบคุมลมปล่อยให้มันหายใจของมันเองตามธรรมชาติแล้วถ้าไม่คิดอะไรเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบบางทีมันก็วุบลงไปบางทีก็ค่อยๆสงบแล้วก็นิ่งไปแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็นั่งเฉยๆได้ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวด เสียงเสียงอะไรที่ได้ยินก็ไม่ลบ ก, กวนใจองสงบเวลาเรานั่งแล้วมันเหมือนพออยู่กลางห้องแล้วมันมืดมึดโล่งโล่งใช่ไหมคะอ่านั่นแหละมันไม่มีอะไรมันอยู่กับความว่างนั่นแหละคือความสงบถ้าไปเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจมันมีของแถมมาอย่าไม่ต้องไปสนใจมันถ้าไปสนใจแล้ว เ, เดี๋ยวจะไม่ได้ความสงบอ่า คำถามจะคุณกันปับพัทนะครับปกติเป็นคนเพียดง่ายเวลาทำงานทำกับข้าวทำขนมจะสามารถทําได้ดีมีความตั้งใจวางแผนเป็นขั้นตอนทําได้เร็วและไม่พังเผลอแต่ในความเร็วที่ทํานั้นมักจะลืมหายใจคือบางทีก็กั้นใจกั้นหายใจโดยคิดโดยติดเป็นนิสัยมานานรู้ตัวอีกทีคือจุกแน่นท้อง ตอนที่ทำงานนั้นเสร็จลักษณะเช่นนี้เรียกว่ามีสติในกายเคลื่อนไหวแต่ไม่มีสติกับการดูลมหายใจหรือเปล่าคะหรือแท้ที่จริงแล้วไม่มีสติเลยแต่จิตสมออกนอกไปกับการทำงานก็มันเรื่องของตันหาความอยากเวลาทําอะไรแล้วบางทีมันก็เครียดแล้วมันก็ไปส่งผลอยู่ที่ร่างกายโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ความจริงต้องทำแบบไม่เครียดทำแบบทำตามเหตุตามผลตามกำลังของเราอย่าไปทำตามความอยากเพราะว่าจะต้องได้มากๆเสร็จเร็วๆอะไรมันก็จะทำให้เกิดอาการเกร็งต่างๆขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะไปทำให้มีอาการอยากที่เป็นอยู่นี้ก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำทนะกำลังตัดกำลังเทกาลัง กวนกำลังทำอะไรก็อยู่สติกับงานที่เราทำนั้นอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทาไปตามเหตุตามผลคำถามจากคุณฮนิสาดิฉันแต่งงานแล้วแต่ไม่อยากมีบุตรเพราะอาจจะทำให้ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรก แต่สามีต้องการมีทายาทสืบสกุลดิฉันจะตัดสินใจอย่างไรดีเจ้าคะก็รักพี่เสียดาน้องจะเอายังไงดีฮก็ต้องเลือกพี่เลือกน้องทั้งคนอย่งเงี้ยถ้าจะเอาตามใจสามีก็ต้องไปมีลูกถ้าจะตามใจเราเราก็อยากกับสามีไปไปหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมดีกว่า คำถามจากคุณสภาพหนูเป็นช่างตัดผมพอดีเมื่อวานมีเพศที่สา ม, มาตัดผมเขาพูดว่าเคยบวชให้แม่เขาบวชตามทำตามประเพณีจะผิดวินัยไหมคะหรือได้บุญอันนี้ส่งไหมคะเราก็ไม่รู้เวลานี้สมัยนี้เวลาบวชเขาไม่ค่อยมีการเขาเรียกอะไรคัดเลือกกันแล้วก็ไม่รู้เพราะสมัยนี้มัน ถ้าไม่ประกาศตนเองว่าเป็นเพศที่สามบางทีก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ถ้าบวชแล้วเราปฏิบัติตามพระวินัยได้ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่บาปแต่อย่างใดถ้าเราไม่ไปทำผิดศีลสองร้ข้อก็เหมือนกับคนที่เป็นเพศที่หนึ่งหรือเพศที่สองบวชมันก็ไม่มีความเสียหายที่เขาไม่อยากให้เพศที่สามาบวชเพราะกลั ว, วดเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่ามันไปชอบของแบบเดียวกัน อยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันก็ายลุกได้เหมือนเหมือนพระสงฆ์กับแม่ชีเข้าถึงต้องแยกอยู่กันเนี่ยถ้าไปอยู่ร่วมกันก็เดี๋ยวก็ยุ่งใช่ไหมพวกที่เป็นเพศที่สามก็เป็นเหมือนพวกแม่ชีใช่ไหมชอบเป็นพวกที่ชาอบผู้ชายใช่ไหมแล้วแล้วที่มาบทชีพามันก็อยู่ที่ไหนครับที่สามเยอะเลยนั่นน่ะมีเหมือนกัเนเหรอมีก็ช่วยไม่ได้เลอก็ช่วยไม่ได้แล้วอยู่กับรวมแบบ ก็เขาไม่จะบอกว่าเขาเป็นสามหรือสีนูก็ออกวจารก็ไม่เป็นไรเวลาถวายวิจารมองไม่ออกเล ย, เย <c oughs> อ่ะอ๋อ <c oughs> <c oughs> แต่เขาก็มาอยู่ไม่กี่วันก็คงไม่มีปัญหาหรอกเพราะเขาก็ตั้งใจม า, ารักษาศีล <c oughs> ถ้าอยู่เดียวเดียวมันมันไม่มีปัญหาหรอกมีปัญหาตอนที่มันอยู่นา น, น, าน วอดไปนานๆาแล้วไอ้ความกดดันมันอัดอันอ้นตันใจมันเยอะอนูก็งงว่งงาใคอยู่แบบเขาเป็นไหนกับผู้หญิงก็สังคมเราก็ไม่ไม่แบ่งแยกไงก็อ่ะถ้าทําตัวเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงไปทําตัวเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายไปยก็ถ้าตามได้ไม่ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ไปผิดศีลแปดศีลห้าก็ไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่ว่าเขาต้องการัศ ไม่อยากให้มันผิดก็แยกกันอยู่ได้ก็ดีแม้กับผู้ที่ถือสินแต่เนี่ยแม้แต่ผู้ชายไม่ให้แตะต้องมือกันแตะเนื้อต้องตัวกันแม้จะเป็นเด็กเป็นหลานนียังไม่ให้แตะต้องเลยเพื่อกานไว้ให้กานไม่ให้มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเวลาแตะเนื้อต้องตัวกันนะเดี๋ยวเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เราจะทำให้ไม่สามารถรักษาสินได้ คำถามจากคุณเล็กลูกได้จเจริญสมาธิแล้วจเจริญมิปัจนาโดยดูจิตกับกายทั้งภายนอกและภายในดูตับไตไส้ปอดอาหารแล้วพิจารณาเป็นท่าทั้งสี่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เพิ่มด้วยค่ ะ, ะการดูหลังนี้ก็เพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายให้เราไม่ทุกข์กับร่างกายเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตาย ถ้าเราคิดว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันไม่ได้เป็นตัวเราเราก็จะเฉยๆกับมันแต่ถ้าเรายังกลัวอยู่เช่นไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเดี๋ยวจะต้องตายเข็นดินน้ำลมไฟนี่ลืมไปหมดเลยเคยเห็นดินน้ำลมไฟเคยเห็นตับาตไส้พงกลายเป็นตัวเราของเรากลับมาใหม่เลยถ้าอย่างนี้ก็ยังเห็นเห็นแล้วไม่เกิดประโยชน์การเห็นเหล่านี้เป็นความรู้ ที่จะเอามาใช้สอนใจให้รู้ว่าร่างกายไม่ได้เป็นตัวเราจริงๆมันจะตายก็ให้มันตายไปเชิญเลยอย่างเงี้ยเวลามันจะตายไปเลยพอแล้วแบกมึงมานานแล้วมึงอยากจะตายไปเลยอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาตอนนี้ยังอาจเป็นวิปัสสนึกก่อนนึกไปก่อนพอไปเจอของจริง จะรู้ว่าเป็นนึกหรือเป็นนาก็ตอนที่ปล่อยเรื่องไม่ปล่อย <c oughs> เออถ้าปล่อยก็เป็นนาเลยวิปัสสนาถ้ายังยืดอยู่ก็ยังยังเป็นวิปัสสนึกอยู่เข้าใจไหมคําถามข้อต่อไปจากคุณกรุงจินนะครับขอทางดําเนินชีวิตจากพระอาจารย์ครับคุณแม่และพี่สาวสองคนรวมสามคนเดินทางมาหาผมโดยรถยนต์ระหว่างทางประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกัน พี่ชายและพี่สาวที่เหลืออยู่ปัจจุบันช่วงชิงมรดกของแม่และพี่สาวที่ไม่ได้แต่งงานผมได้รับคำแนะนำให้ปล่อยวางเสียจากพระทุกทุกท่านแต่ว่าปัจจุบันนี้ทางพี่สาวอยากให้มาร่วมแก้ไขปัญหาตัวผมเองก็ยังคงมีความเห็นว่าไม่ควรไปยุ่งกับพี่ๆของเราเพราะเขาอาจมีเหตุผลที่ต้องการสมบัติครับขอพระอาจารย์แนะนาว่าผมควรทาอย่างไรต่อไปดีครับ ถ้าเราปล่อยวางได้ก็ดีที่สุดคือ ป, ปล่อยให้ใครอยากได้ก็ให้เข้าไปแล้วเราจะสบายใจแต่ถ้าเราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวเราก็จะเหมือนกับดูฟุตบอลเนี่ยพอไปดูฟุตบอลเดี๋ยวก็ต้องเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งเดี๋ยวก็เครียดขึ้นมาพอฝ่ายไหนฝ่ายเราแพ้ก็เสียใจขึ้นมาอีกยังถ้าถ้าเราไม่ไปยุ่งได้อะดีที่สุดนะถ้าเราสละสิทธิ์แล้วใครอยากเอาไปก็เรื่องของเขา เป็นคำถามจาก YouTube นะคะจากคุณเพชรบวชชีพามรับสิ่งแปดแต่ไม่ได้ถอดเครื่องประดับออกจะเป็นไรไหมคะก็ผิดสิงข้อเจ็ดแล้วสิ <c oughs> <c oughs> ข้อเจ็ดเขาไม่ให้ใช้เครื่องประดับไม่ให้เสริมความงามด้วยเสื้อผ้าอ่อนเครื่องสำอางน้ำมันน้ำหอมทำเท่าทำผมอะไรตา่างถ้าใช้เพื่อเหตุผลได้อยู่ถ้าดูเวลา แต่ถ้าตัวนาฬิกาติดเพชรติดอะไรนี่ก็ควรจะวางไว้เอานาฬิกาธรรมดามาใส่อย่าไปเอาทาเทียมาใส่คำถามจากคุณบัญชาเวลานั่งสมาธิแล้วไม่ถึงสินาทีก็เป็นสมาธิลมหายใจหายไปเหลือแต่ความนิ่งแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อครับก็ปล่อยมันนิ่งไปจนกว่ามันจะหายนิ่ง มันนิ่งแล้วก็อยู่เฉยๆไปถ้ามันสมาธิจริงมันจะอยากจะให้มันนิ่งเป็นนานๆเพราะมันสุขถ้ามันนิ่งแล้วยังไม่สุขก็ยังแสดงว่ายังไม่ใช่มันต้องสุขมันต้องร้องอ๋ออ๋ออย่างนี้เองสุขอย่างนี้เองที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมันถึงจะเรียกว่าสมาธิจริงถ้านิ่งแต่ยังไม่สุขก็แสดงว่ามันยังไม่นิ่งแท้มันนิ่งแท้แล้วมันจะโล่งเลยโล่งเบาอกเบาใจ มันลอยอยู่บนสวรรค์ลอยอยู่ในอา ก, กาศคำถามจากคุณมานีการที่เราทำสมาธิไว้ที่ลมหายใจขณะทำงานหรือทุกอิริยาบถมีผลทำให้ไวต่อการได้กลิ่นหรือไม่ครับเพราะมักจะได้กลิ่นก่อนคนอื่นตลอดก็น่าจะเป็นอย่า ง, งานั้นอ่ะเพราะมันไปอยู่ที่จมูกกลิ่นมันก็ทางจมูกมันก็จะรู้สึกไวขึ้น คำถามจากคุณภูเวลาผมนั่งสมาธิผมจะเห็นได้แต่ดวงแสงสีม่วงแบบนี้เขาเรียกว่าปฐมสมาธิหรือเปล่าครับไม่รู้เป็นอะไรแต่มันไ ม, ไ, มไม่ควรจะไปสนใจยังไม่ถึงสมาธิที่เราต้องการทําธิที่เราต้องการต้องว่างต้องเย็นต้องสงบต้องมีความสุขมากๆถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ภาวนาวต่อไปพุทโธต่อไปดูลงต่อไป อย่าไปสนใจกับแสงเสริงอะไรที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นถ้าไปอยู่ไปดูมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะไปไม่ไม่ถึงฝั่งคำถามจากคุณมูธเวลานั่งสมาธิตัวเราเบาเองลอยหมุนในอากาศแสดงว่าเป็นอะไรครับเป็นอาการของจิตปรุงแต่งไปเองร่างกายมันก็เหมือนเดิมอยู่ไม่เชื่อลองลืมตาดู ถ้าสงสัยก็ลองเปิดตาดูกูลอยจริงก็เปล่าเหม็นจริงก็เปล่าก็ <c oughs> <c oughs> เปิดตาดูซะเลยพิสูจปปน์ไปเลยมันจะได้หายสงสัยคำถามจากคุณชี <c oughs> เวลานั่งสมาธิสักพักร่างกายจะมีอาการสั่นตัวโยกเป็นเพราะเหตุใดแล้วจะแก้ไขอย่างไรก็ครค่ะสติไม่มีกำลังสติเถลอปล่อยให้จิตมันออกฤทธิ์ เกิดออกฤิ์มันก็ไปทําให้ตัวสัน่นบางคนก็เลยคิดว่าดีก็กําลังมีเจ้าเข้าทรงแล้วคาถามจากคุณทวัตทํางานเครียดมากกําลังจะคิดลาออกไม่แน่ใจว่าเป็นการอยู่ปัญหาหรือเปล่าครับถ้ามันเป็นไฟหนีไฟไม่เห็นไม่เห็นเป็นปัญหาหรือไงถ้าเราไปอยู่กับไฟแล้วเราเร า, เราเห็นรู้ว่ามันร้อนมันเป็นอันตรายกับเราเราก็ไปดีกว่าออกจากกองไฟดีกว่า อย่างนี้ไม่เรียกว่าหนีปัญหาเขาเรียกว่าหนีจากกองไฟหนีจากกองทุกข์คาถามจากคุณสมบูรณ์ผมกำหนดจิตดูไปเรื่อยๆอะไรเกิดกับจิตรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางไปต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหรือต้องพิจารณาอย่างอื่นด้วยหรือตอครับจิตไม่ต้องไปปล่อยวางไปไ ป, ไ ป, ปล่อยเงินก่อน ไปปล่อยแฟนก่อนไปปล่อยอะไรข้างนอกก่อนข้างในอย่าเพิ่งไปปล่อยข้างในตอนนี้ไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ข้างนอกยังติดเงิอนอยู่หรือเปล่ายังติดโซลาอยู่หรือเปล่ายังติดแฟนอยู่หรือเปล่าติดเที่ยวอยู่หรือเปล่าไปปล่อยของพวกนี้ก่อนกิตตอนนี้มันไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องไปปล่อยมันหรอกไปปล่อยของที่ยังมีปัญหาอยู่ ไปรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนใ ห, ให้ได้สมาธิก่อนแล้วก็ไปปล่อยของข้างในตอนนี้ข้างในยังปล่อยไม่ได้หร ล, ล่อยก็ปล่อยแบบวิปัสสนึกดูไปอย่างนั้นเองพอไปเจอขนมก็อยากกินแล้วพอไปเห็นกาแฟก็อยากดื่มนะอย่นี้ปล่อยไปก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรต้องไปปล่อยของที่เราติดก่อนนะเราติดอะไรต้องไปปล่อยของเหล่านั้น ติดเงินก็ต้องปล่อยเงินติดคนก็ต้องปล่อยคนติดลาบยศก็ต้องปล่อยลาบยศปล่อยของภายนอกใจก่อนแล้วค่อยมาปล่อยของที่อยู่ภายในใจถึงถึงจะเรียกว่าปล่อยจริงอันนี้ปล่อยหลอกมันหลอกให้เราคิดว่าเรากำลังปล่อยจิตแต่พอไปทำอะไรลืมไปหมดว่าปล่อยจิตแต่พอไปดื่มสุราเนี่ยคิดว่าปล่อยจิตแล้วดื่มได้แล้ว คำถามจากคุณนัครินคำว่ากายไม่ใช่ของเราหมายถึงจิตหรือเปล่าครับกายมันเป็นจิตได้ยังไงกายมันก็เป็นกายอยู่แล้วไปเปิดทศนานุกรมดูได้ไ่ามครับ <c oughs> กายแปลว่าจิตหรือเปล่ากายก็กายจิตก็จิตมันคนละอย่างกันเนยะกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายนี่ที่มาปฏิบัตินี่เพื่อให้แยกสองตัวนี้ให้ออกจากกัน ตอนนี้มันมารวมตัวกันก็เลยคิดว่าเป็นตัวเดียวกันใจก็คิดว่ากายเป็นจิตใจคิดว่ากายเป็นใจเวลากายเป็นอะไรใจก็ตกใจแสดงว่ากายก็กายกำลังเป็นใจอยู่เรียกว่าหลงไงโมหะอวิชชาจึงต้องใช้พุนานุกรมมาเปิดดูเรียกวิชากายแปลว่าอะไรใจแปลว่าอะไรไปเปิดดู จะได้รู้ว่ามันเป็นคนละตัวกันคนละอย่างกันคำ ถ, ถามจากคุณทวิชาการถือสีนแสามารถทาครีมทาผิวและครีมกันแดดได้ไหมคะเพราะเป็นคนผิวแห้งค่ะครีมไม่มีสีค่ะถ้าทาเพื่อรักษาร่างกายก็ได้อยู่ทาทาเพื่อเสริมความงามก็ไม่ได้ถ้าทาเพื่อปกปิดรอยฟ้ารอยด่างรอยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าทารักเพื่อรักษาผิวได้อยู่ถ้าผิวแห้งแตกแล้วอาจจะเป็นทำให้ไม่สบายได้อย่างนี้ก็รักษาได้แต่ทาเพื่อปกปิดสิวฝ้าอะไรต่างๆนี้ก็ผิดเพราะว่าต้องการเสริมความงามของร่างกายเราต้องการเห็นความไม่สวยงามของร่างกายความอยากจะให้ร่างปกปิดความไม่สวยงามนี้มันเป็นเรื่องของกิเลส กิเลสไม่อยากจะให้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายเพราะเดี<ม>๋ยวจะไม่มีใครชอบมีอันนึง<ม>ที่เขาบอกนะคร<ำ>ับก็คือครีมกันแดดไม่น่าจะได้มันเพราะว่าครีมกันแดดมันกันไม่ให้ดำเหมือนก็สูตรแท้แต่จะต้องพิจารณาเอาเอง ก, ก็แล้วกันว่าเป้าหมายที่แท้จริงเป็นยังไงไรพระไม่เนทั้งตาอะไรเลยถามว่าแม่เอาตัวอย่างของพระนั่นเลยเอาแม่ชี้ก็ได้ ไม่ชี้ก็ได้เขาไม่มีใครก็ทานกันหรอกคนที่ก็ถือศีลแจริงๆไม่มีใครก็ทานกันหรอกไม่ชีพา้านี้เขาไม่มีเครื่องคำนวงเลยคำถามจากคุณชุติการการถือศีลแหนูไม่ทราบว่าว ต้องล้างสีทาเล็บออกก่อนเข้าถือศีลที่วัดแต่หนูตั้งใจปฏิบัติหาความสงบอย่างเต็มที่มีคนมาทักว่าถ้าถือศีลแปดห้ามทาเล็บเท่ากับว่าที่ตั้งใจปฏิบัติถือมาศีลขาดหมดแล้วแต่หนูไม่ทราบมาก่อนค่ะเท่ากับว่าที่ถือศีลมาผิดหมดเลยเหรอคะอ๋อก็ไม่ผิดหรอกคือคือถ้าเรามันทาไปแล้วมันมันไม่เอาไม่ออกก็ปล่อยมันไปไม่เป็นไร แต่อยไปทาซ้าหรือถ้าจะให้มันไม่มีค้อรหาก็เอาสีขาวมาทาทับไว้ก็แล้วันจะได้รู้ว่าเหมือนกับไม่ได้ทาแล้วมันไม่ได้ผิดทุกข้อมันก็ผิดแค่ศินข้อเจ็ดเท่านั้นแล้วก็ผิดบางส่วนของศินข้อเจ็ดสินข้อเจ็ด น, นี่มีหลายหลายอย่างไปเที่ยวนี่ก็ศินข้อเจ็ดไปดูหนังฟังเพลงนี่ก็ศีลข้อเจ็ดงั้นถ้าถ้าทาอยู่แล้วแล้วลบไม่ออกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกงังวลกับมัน ถ้า ก, กลัวคนอื่นก็จะทักก็เอาสี ส, สีเนื้อมามาทาทับมันไปหรือลบออกได้ก็ลบออกไปไหนเราจะรักษาสินทั้งทีให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องเสื้อผ้าเรายังเปลี่ยนได้เนี่ยทำไมกายสีเลือดท่านจะเปลี่ยนไม่ได้คำถามจี่คุณอนาปานะครับไม่ไม่ทราบว่าถามถามมาเพื่ออะไรนะครับ เวลาเดินจงกรมีแสงว่าบจากดินใช่ผีกระสือไหมครับไม่มันก็เป็นแค่แสงนั่นแหละเราไปปรุงแต่งอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นอย่าไปปุ๊อย่าไปบอกว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่ต้องรอให้มันบอกเองถ้ามันเป็นผีกระสือก็ให้มันมาบอกผมเป็นผีกระสือครับอ่า อ, อย่างนี้ก็ถ้ามันเป็นแสงแล้วก็ปล่อยก็แค่นั้นก็ว่ามันเป็นแสงก็พออย่าไปปรุงแต่ง เราเหมือนกระตายตื่นตัวนะนอนอยู่ใต้คนต้นตาลลูกตาลหล่นลงมาก็พั่นดินหวแล้วตื่นไปละเนี่ยแบบนั้นอ่ะอย่าตื่นตะหนกให้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดีกว่าว่าเป็นอะไรมันเป็นแค่แสงก็รู้ว่าเป็นแค่แสงมันเป็นอนิจจังมันเกิดแล้วมันก็หายไปละมันเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันเป็นก็เป็นไปเรามีหน้าที่รู้ก็รู้ไปทั้นั้นเอง อย่าไปรักไปชังพอไปรักไปชังก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะรักก็อยากได้ชังก็อยากหนีใช่หไหมมันก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาอย่าให้ดูเฉยๆสักแต่ว่ารู้พระอาจารย์ครับเมื่อวานที่ผมถามว่ากิเลส ข, ข้อไหนที่ยากที่สุดของเราพระพุทธเจ้า มีโยมแล้วสงสัยว่าแล้วข้อไหนยากที่สุดสําหรับพ่ออาจารย์ครับอ่ายากที่ส uh ุดเลยก็ค uh uh uh ือต้องมานั่งเทศอยู่ทุกวันนี่ข้อเนี้ยากที่สุดถ้าเออข้อที่ต้องมาเทศกับให้ญาติโยมฟังทุกวันเนี้ยอืตัวเนี้ยยากที่สุดเนี่ย อยากจะตัดมันไปอยากจะหนีมันไปหนีก็ไมคงาัคำถามจากคุณนครปวดที่ข้อมือมากทําให้เครียดทําอย่างไรจึงละได้ครับก็ไปหาหมอสิถ้าเป็นเรื่องของร่างกายก็ต้องหาหมอถ้าเป็นเรื่องของใจก็รักษาที่ใจถ้าใจเป็นเหตุทําให้เครียดทําให้เจ็บก็รักษาที่ใจใจสงบแล้วมันก็จะหายเจ็บ มันไม่แน่นะโรคบางอย่างมันเกิดจากใจเราไปเครียดมันก็เลยทําให้มันเจ็บขึ้นมาพอใจไม่เครียดแล้วมันก็หายเจ็บอย่างเคยเล่านิทานเรื่องพระรูปหนึ่งมาบวชแล้วก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไปหาหมอหมอก็ตรวจร่างกายดูก็เห็นเป็นปกติทุกอย่างหมอก็บอกไม่เห็นมีอะไรนี่พระเขาก็บอกผมก็ยังปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้อยู่ หมอก็ไม่รู้จะทานะเอายาแก้ปวดไปกินก็แล้วกันแล้วต่อมาภาพ ร, รูปนั้นก็เสรกไปเสรกแล้วก็ไปหาหมอบอกหมอโรคที่ผมเป็นตอนนี้หายไปหมดเลยก็ <c oughs> สแสดงว่ามันเป็นโรคเครียดเวลาเป็นภาพนี่มันเครียดจะไปเที่ยวก็ไม่ได้<อ>จะไปทําอะไรก็ไม่ได้ <c oughs> มันก็เลยเปิงเครียด <c oughs> พอมันไปเสกแล้วมันก็ไปทําอะไรได้ไม่มีข้อห้ามมันก็เลยหายเครียด หายเรียดมันก็เลยหายปวดหายเจ็บไปนี่เป็นเป็นโรคที่เกิดจากความเครียดของจิตคำถามจากคุณศิริวันคาราวาสฝึกอดอาหารสักสามวันพระอาจารย์เห็นว่าเหมาะหรือไม่และเป็นประโยชน์หรือเปล่าเจ้าคะคือการอดอาหารนี่ก็เพื่อมาเป็นตัวคล้ายๆเหมือนกับว่าผลักให้เราได้ปฏิบัติได้ภาวนาแล้วก็ จะไม่ง่วงนอนเวลาเรากินเต็มอิ่มอิ่ ม, มกินเยอะๆนี่เวลานั่งมันจะง่วงนอนนี่พูดถึงคนที่ปฏิบัติตลอดวันตลอดคืนนะไม่ใช่พวกที่ปฏิบัติวันละครึ่งชั่วโมงนี่ไม่เกี่ยวนะแต่พวกที่ต้องการจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเนี่ยบางทีมันกินเยอะๆแล้วมันจะขี้เกียจมันจะง่วงนอนเพราะอดอาหารนี่มันจะไม่ง่วงแล้วมันก็จะต้องภาวนาเพราะว่า ถ้าไม่ภาวนาความหิวในใจมันทรมานถ้าเราภาวนาทําใจให้สงบแล้วความหิวมันจะหายไปความทรมานจะหายไปแล้วมันจะได้ประโยชน์คือได้ได้ภาวนามันได้ทําใจให้สงบต่อไปเราก็จะรู้จักวิธีทําใจให้สงบพอเราทําใจให้สงบเป็นเราก็เลือกอดก็ได้พอเรานั่งแล้วมันจะสงบมันจะมันจะไม่ง่วง เพราะว่าเราเรามีสติมากขึ้นมากขึ้นจากการปฏิบัติเรา่าจะกินอย่างปกติได้แต่ตอนที่ฝึกนี้มันต้องใช้การอดอาหารช่วยช่วยกระตุ้นการปฏิบัติงันถ้ากินอิ่มแนละ้วมันมักจะหาหมอนกอัน พระอาจารย์ครับในในสมัยที่ก่อนที่ผมเคยบวชเนี่ยผมเคยมีการปฏิบัติคือหลังไม่ติดพื้นเจ็ดวันเนี่ยอาจารย์ซึ่งสติดีมากแต่ผมจะอยู่ในระดับอที่ว่าต้องนอนพิงผนังไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านั่งอยู่แล้วก็ไม่ติดพื้นครับใช้ก็ได้สาวิริยาบทเนี่ยเป็นสติดีมากแต่ไม่ค่อยเห็นใครปฏิบัติเอนครับมันยากไงมันยากการอบับอนนอนนี่มันทําให้ไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะทำอไร ถามจากคุณโทมิความรักลูกความผูกพันในจิตใจความติดสุขเช่นชอบอยู่ในห้องแอร์ทั้งหมดนี้ถือว่ายังติดอยู่ในการม马拉คาับใช่หรือไม่คะก็ติดในรูปเสียงกลิ่นรสไงรูปของลูกอา่าอากาศที่มาสัมผัสกับร่างกายอากาศก็เป็นโพธะะลูกก็เป็นรูปที่เราเห็นด้วยตาก็ยังเป็นเรื่องของกาลอยู่ ที่การมันมีสองชนิดเราแรกการมาฉันทะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสทั่วๆไปเช่นขนมนมเนยดูหนังฟังเพลงนี้เรียกว่าการมฉันทะส่วนการมาลาค้านี่หมายถึงการร่วมเพศกันร่วมเพศกับคนนั้นคนนี้แต่มันก็เป็นการเหมือนกันมันก็เสพตาเสเพรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันคํถาถามจากคุณรัต ด, ดา เวลานั่งสมาธิจะทำอย่างไรให้ข้ามเวทนาได้ครับและต้องนั่งนานเท่าไหร่ถ้าเจ็บมากต้องทนต่อหรือเปลี่ยนท่านั่งคะถ้าต้องการจะผ่านเวทนาก็ต้องไม่ขยับไม่ต้องเปลี่ยนท่านั่งใช้สติประคับประคองใจให้เข้าสู่ความสงบนะถ้าถ้าจิตเข้าสู่ความสงบได้มันก็จะไม่สะทกสะท้านกับความเจ็บของทางร่างกายงนั้นวิธีที่จะผ่านตรงนี้ก็ต้อง เวลาเจ็บก็ต้องพุโทโธให้ถี่เลยอย่าให้ใจไปคิดถึงความเจ็บเพราะพอไปคิดถึงความเจ็บมันจะเกิดความอยากให้หายเจ็บหรืออยากจะลุกพอมันเกิดความอยากมันก็จะทรมานใจถ้าเราไม่ได้คิดถึงความเจ็บมันก็จะไม่มีความอยากถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็สงบได้งั้นต้องพยายามบริกรรมมากๆ้ า, าตอนที่มันเจ็บอย่าขี้เกียจให้มันขาดใจไปกับคบริกรรมเลย พุโทโธนพุโทโธสองพุโทโธสามพุโทโธสี่พุโทโธห้าพุโทโธหกไปให้มันถึงร้อยถึงพันไปเลยถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วความเก็บจะไม่เข้ามาทางใจจะอยู่ที่ร่างกายเพียงส่วนเดียวแล้วจะอยู่ได้จะนั่งอยู่กับมันไปต่อได้พระอาจารย์ครับมีคนมีคุณโสโสละลัตบอกว่าผมขอกราบเป็นศิษย์พระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์โปรดรับไม่ทราบว่าถ้าคนที่อยากเป็นลูกศิษย์เนี่ยต้องไปปฏิบัติอย่างไรหรือจําเป็นจะต้องมาขอเป็นลูกศิษย์ไหมครับอาจารย์ คำว่าลูกศิษย์ก็คือผู้ผู้ฟังเนี่ยผู้มาศึกษาอาจารย์ก็คือผู้สอนเมื่อต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ก็ถือว่าเป็นเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันแล้วเรามีหน้าที่สอนแล้วก็สอนไปคนที่เป็นลูกศิษย์ก็มีหน้าที่ฟังไปศึกษาไปว่าปฏิบัติตามไปก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์แล้วเพียงแต่ว่าอย่าไปแอบอ้างว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วเอาชื่อเราไปขา ย, ยาไม่ได้นะถ้าลูกศิษย์แบบนั้นไม่เอานะ ผมเป็นลูกศิษ์อาจารย์นุ่นอาจารย์นี้ไม่อ้างอย่างนี้ไม่ถูกนะการเป็นลูกศิษย์นี้เป็นหมายความว่าเราเป็นผู้ศึกษากับอาจารย์ลูกนั้นเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าเรามีสิทธิพิเศษจากการที่เราได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้คงถามจากคุณจีราศักดิ์กระผมนั่งสมาธิมาประมาณสี่ปีแต่จิตสงบนิ่งอยู่ได้นานแต่ยังรู้ว่ามีกายอยู่ กระผมจะสามารถเดินทางวิปั ส, สนาทางปัญญาได้หรือไม่ครับถ้าเดินวิปั ส, สนาได้กําลังจะเพียงพอที่จะละทิเลดได้แค่ไหนครับก็ลองดูสิพอกจากสมาธิดูกับพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรก็อย่าไปยุ่งกับมันปวดท้องก็ปล่อยมันปวดไปเป็นอะไรก็อย่าไปยุ่งกับมันดูดูสิว่ปล่อยวางได้เปล่าถ้าปล่อยวางได้ใจก็จะสบาย จะไม่ทุกกับความเจ็บความตายของร่างกายถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังปล่อยไม่ได้ก็เปรียบเทียบดูเหตุร่างกายคนอื่นก็เป็นอะไรเราทุกข์กับเขาอ่ะคนที่เราไม่รู้จักเขาปวดหัวปวดท้องเขาเป็นอะไรไปเราก็เฉยเฉยเราก็ต้องเฉยเฉแบบนั้นกับร่างกายของเราเพราะร่างกายของเรามันก็ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นของเราเป็นแต่ว่าเราไปหลงคิดว่าเป็นของเราความจริงมันก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นดีๆนี่เอง เราต้องเอาความรู้สึกที่เรามีต่อคนอื่นร่างกายของคนอื่นมาใส่กับร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นเรารู้สึกยังไงเราก็ต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นกับร่างกายของเราถ้าเราไม่เดือดร้อนกับร่างกายของคนอื่นเราก็ต้องไม่เดือดร้อนกับร่างกายของเราอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาถึงจะเรียกว่าปล่อยได้คำถามจากคุณจุลาวัน เวลานั่งสมาธิหรือสวดมนต์จะหาวตลอดเวลาทั้งที่ไม่ได้รู้สึกง่วงนอนเลยสักนิดแบบนี้ควรทําเช่นไรไม่ให้หาวคะและแบบนี้ถือคืออาการอะไรคะคํวาว่าหาวมันก็บอกง่วงนอนแล้วจะมาบอกไม่งว่วงนอนได้ไงคนคนไม่งว่วงนอนก็ไม่หาวันหรอกใช่ไหมคนหาวคนนึงกับคนง่วงนอนถ้าง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินเออเาน้ามาล้างหน้าเอ แล้วเดินถอยหลังบ้างแทนที่จะเดินเดินข้างหน้าก็เดินถอยหลังเวลาเดินถอยหลังนี่มันจะต้องมีสติมากขึ้นเดี๋ยวมันก็หายง่วงได้ก็ลุกขึ้นมาเดินจะกว่ามันจะหายง่วงแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่คําถามจากคุณคุณธิดาอยากให้พระอาจารย์แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติเนสันชิกให้หน่อยค่ะแดีวก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เนี่ย คุณต่อลองเล่าให้ฟังใ น, ในสัจจิกทำไมพราะเราไม่เคยปฏิบัติเอ๋อนั่งเรียกว่าในสัจจิค่ ะ, ะการการถือสามวิริยบทไม่ผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไระเดิ น, ดนยืนนั่งสามท่าไม่นอนออเพราะพราะไม่ต้องการนอนมากไงเพราะถ้าเวลานอนแล้วมันจะหลับแล้วมันก็จะหลับยาวมันจะเสียเวลาพลาดที่ต้องการที่จะเร่งความเพีย่อยากจะบรรลุเร็วก็จะถือสามวิริยบทแต่มันถือได้เพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหะ เพราะร่างกายมันไม่ช้าก็เเลยมันก็ไม่ไหวกันงั้นเขามักจะมีกำหนดวันใช่ไหมเจวันสามวันสุดยอดลวไอย่างที่วันนี้ถ้าเป็นวันสาคัญก็จะในสัตชิกันใช่วันวิสาขะวันมาฆะนี่เขาจะมีการเดินจงกรมมีการฟังเทศมีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมสลับกันไปจนถึงสว่างคือไม่นอนหนึ่งคืนอันนี้เรียกว่าในสัตชิก คำถามจากคุณกรุงจินนะครับผมนั่งสมาธิกำหนดพุดโทโธแล้วสักประมาณ1ิบนาทีขึ้นไปมักจะเกิดนิวรม่วงเคยใช้อุบายต่างๆตามตำราของพระโมคคัลลานะแต่ก็ไม่หายขอพระอาจารย์แนะนำแนวทางครับปัจจุบันจึงใช้วิธีพิจารณาความไม่เที่ยงก็สามารถนั่งได้สองสามชั่วโมงถูกไหมครับ ก็นั่งได้ไ ด, ได้ได้เท่าไหร่ก็ดีถ้านั่งไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ดีไม่ถูกก็มีหลายวิธีวิธีที่เคยได้ยินได้ฟังก็อดอาหารหรือไปนั่งในป่าช้าหรือไปนั่งหน้าปากเหวถ้ามันสับปะกอังก็หัวทิ่มเหวเลยลงเหวไปเลยมันก็มีหลายวิธีที่นี่บนเขานี่ก็มีทางเดินยยงกลมที่มันสูง เวลาเดินยงกมมนี่ถ้าไม่มีสติพัดก็ตกลงมาเลยก็ได้คนก็ชอบบางคนชอบไปเดินยงกมมนั้นเอเดินนั่นรู้สึกสติดีไม่ง่วงเลยหายง่วงคำถามสากคุณปั้นปอนะครับเมื่อคืนหลังจากสวดมนต์แล้วไม่ได้นั่งสมาธิแต่นอนตะแคงขวาก็กำหนดพุทโธตั้งใจว่าจะไม่ขยับตัวยกเว้นกืนน้ำลายปรากฏว่าพอขยับตัว เลยมาดูนาฬิกาได้ชั่วโมงสิบนาทีสังเกต ด, ดูจิตเบากายเบาแล้วไม่ปวดเมื่อยเลยหลังจากนั้นก็ตะแคงซ้ายขวาหรือนอนหงายแต่ก็กาหนดพุทโธเวลารู้สึกตัวพอตีสีก็ตื่นสังเกตตัวเองเหมือนไม่ได้นอนหลับแต่ก็ไม่ได้เพียอยากตามข้อสงสัยการนอนตะแคงขวาเหมือนเป็นพระพุทธเจ้า ไม่เป็นการทําตัวเสมอท่านใช่ไหมครับหรือเป็นการเดินตามรอยพระศาสน า, าแอบสงสัยอยู่ในใจออท่านสอนให้ท่านนอนในท่าตะแคงขวาจะได้นอนจะนอนแบบราชสะศีนอนแบบมีสติพอร่างกายได้พักฟับก็จะตื่นขึ้นมาทันทีก็จะได้ลุกขึ้นมาถ้านอนหงายนี่มันจะนอนสบายแต่เดี๋ยวพอตื่นแล้วบางทีมันยังจะไม่ลุกขึ้นมาได้ก็ให้นอนตะแคงขวาในท่าราชสะศี สำหรับนักบวชจะได้ไม่นอนมากเกินไปถึงแม้จะนอนบนพื้นแข็งๆแล้วบางทีมันก็ยังไม่อยากลุกได้แต่ถ้านอนตะแคงนี่มันไม่ค่อยสบายมันก็พอตื่นพอรู้สึกตัวปั๊บก็ตื่นลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมต่อเลยคือต้องการให้เสียเวลาให้น้อยที่สุดกับกับเรื่องของการหลับนอนให้มันหลับนอนพอต่อความต้องการของร่างกายก็พอ พอตื่นเมื่อไหร่ก็แสดงว่าร่างกายได้พักพอแล้วจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันคําถามจาคุณบีครับการหาคําตอบว่าดวงจิตเกิดมาจากไหนจําเป็นไหมคะพระอรหันต์เท่านั้นที่รู้แจ้งใช่ไหมคะไม่แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าจิตมาเกิดมาจากไหนเั็งอย่าไปสนใจนะปัญหาไม่ได้ว่าจิตมาเกิดมาจากไหนปัญหาอยู่ที่จิต ทุกพ่ออะไรดีกว่าเรามาแก้ความทุกข์ของจิตถ้าถ้าจิตหายทุกข์แล้วก็ไม่มีปัญหามันจะมาจากไหนหรือไม่มาจากไหนก็ไม่เป็นปัญหาคำ ถ, ถามจากคุณชูติการหลังจากบริกรรมพุทโธแล้วลมหายใจละเอียดแต่ยังบริกรรมพุทโธได้อยู่แต่หนูลมหายใจไม่เจอคือสมาธิไหมคะแล้วต้องอยู่กับมันให้นานที่สุดใหม่คะ คือถ้าลมหายใจไม่เจอก็ไม่ต้องสนใจให้อยู่กับบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะวุบไปเหมือนกับตกลงจากที่สูงแล้วมันก็นิ่งสงบไปถ้ายังบริกรรมได้อยู่ก็บริกรรมต่อไปยังไม่สงบเต็มที่จากคุณนครินนะครับหลวงพ่อมีอุบายในการปฏิบัติและเผชิญต่อทุกขเวทนายอย่างไรครับก็อย่างที่เล่าใน้ฟังเนี้ยก็ใช้พุทโธไปเวลาใช้คำบริกรรมไป วิธีแรกนะวิธีที่สองถ้าเราใช้ปัญญาเป็นก็แยกร่างกายแยกความเจ็บแยกใจออกจากกันว่าร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ำนมไฟมันไม่รู้เรื่องเราเอาเอาไม้ไปฟันต้นไม้นี่ต้นไม้มันไม่มีความรู้สึกอะไรความรู้สึกมันก็เป็นสิ่งที่มันเราไปห้ามไม่ได้มันก็เกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ เราใจคือผู้รู้ก็ให้รู้เฉยๆถ้าเราไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันแล้วเราก็จะรับรู้มันได้อย่างสบายรับรู้ความเจ็บได้อย่างสบายเพราะความเจ็บมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมันเกิดมันมาออกมาจากทางร่างกายจะนั่งไปนานๆก็เจ็บขาเจ็บแข้งอะไรขึ้นมาแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้ เราก็ต้องทําใจให้อยู่กับมันให้ได้คือให้เราเป็นหน้าที่ดูมีหน้าที่รู้ก็รู้ไปรู้ว่าร่างกายเจ็บมีอาการเจ็บแต่ร่างกายมันไม่เดือดร้อนเพราะร่างกายมันเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟเหมือนต้นไม้เราเอามีดไปฟันต้นไม้ไปถากต้นไม้มันก็เฉยเฉยอย่างใจเราก็ต้องเฉยเฉยเหมือนร่างกายเพราะเราใจไม่ได้เป็นร่างกาย เมื่อร่างกายมันเป็นตัวเจ็บมันไม่เดือดร้อนแล้วใจเป็นตัวดูไปเดือดร้อนมันทําไมเหมือนเราดูหนังเนี่ยบางทีเราดูหนังคนแสดงก็ไม่เดือดร้อน่ะเขาถูกยิงตายเนี่ยแต่คนดูกับไปเดือดร้อนแทนเขาเห็นไหมเพราะเราคิดเป็นจริงเป็นจังของเขาขึ้นมาควาจริงมันเป็นแค่หนังร่างกายมันก็เป็นเหมือนหนังตัวหนึ่งตัวละครตัวหนึ่งแต่เราไปยึดไปติดมันเราจึงอยากให้มันมีแต่ความสุข ไม่อยากให้มันทุกข์ไม่อยากให้มันเจ็บเพราะเกิดความอยากไม่อยากขึ้นมามันก็เลยทำให้ใจเราทุกข์ทนไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายมันต้องเจ็บเป็นธรรมดาเราก็ดูไปธรรมดาดูเฉยเฉยไม่ต้องไปอยากให้มันหายหเจ็บแล้วใจก็จะไม่เจ็บพอใจไม่เจ็บใจก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายหมดแล้ยังคาถามจากคน จากคุณโซนะคะการสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนจะทำให้เรามีสมาธิและเทวดารับรู้ใหมครับเทวดาเขาไม่รู้จะมารู้เรื่องเราทำไมนอกจากเรามีอะไรกับเขาใครเป็นแฟนเก่าเงี้เขาก็อาจจะมาติดตามเราก็ได้แต่ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันเขาไม่ ม, ม า, เ ท, าเทวดาก็เหมือนคนอื่นนี่แหละคนอื่นเขาก็มีเรื่องของเขาเขาไปตามเรื่องของเขา นอกจากว่าเขากับเราเคยเป็นอะไรกันมาก่อนเขาก็อาจจะมาดูแลเราก็ได้เราเคยดูแลเขาแล้วเขามาพบเรารู้ว่ า, เ, าเราอยู่ตรงนี้เขาก็อาจจะมาดูแลเรามาช่วยเหลือเราได้อย่างที่เรียกว่าเทพบรรดาษวันที่เราเดือดร้อนเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาก็ไปเข้าฝันคน น, คนนู้นคนนี้พอคนนั้นได้ไ ด, ได้ได้ฝันก็เข้ามาช่วยเราก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของ ความสัมพันธ์ส่วนตัวถ้าเทวดาทั่วไปก็เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปเขาไม่รู้จักเราเขาจะมาสนใจอะไรกับเราแต่คนที่มีความผูกพันกันมีความสัมพันธ์ที่ดีกันก็ก็อาจจะมาดูกันก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสัมพันธ์แต่เราแต่เรานั่งสมาธิสวนมนต์นี่ไม่ได้นั่งเพื่อให้เทวดามาดูเข้าใจไห ม, เ, หมเรานั่งเพื่อให้ใจเราสงบเพื่อให้เรามีความสุข ใครจะมาดูไม่ดูมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วม่ตาจาร์เคยคุยกับเทวดาไหมคะไปแล้วก็นี่ไงเนี่ยก็นี่ก็คุยอยู่ทุกวันเนี่ยพวกที่มาพวที่มาทำบุญนี่ก็พวกเทวดาหมดพวกเทวดา เดี๋ยวเดี๋ยวมาจารยตอบคุยแหลพวกสามพระเวสสีนะถ้ามาขอถ้ามาขอโน่นขอนี่เนี่ยพวกพวกเปรตแล้เดี๋ยวต้องต้องอธิบายความหมายของสัมพเวสีก่อนครั้งสัมเวสีนี้แปลว่าผู้ที่ยังต้องกลับมาเกิดก็รวมทุกคนน่ะแม้แต่พระอริยะเจ้าขั้นที่สามก็ยังขั้นที่สองหนึ่งที่สองยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ ก็ถือว่าเป็นสัมภเวสีผู้ที่ตายไปแล้วยังต้องกลับมาเกิดใหม่นี่เรียกว่าเป็นสัมภเวสีผู้ที่ไม่กลับมาเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์นี่ม่มาเป็นพรหมนี่ก็มีพระพุทธเจ้าพระอนาคามิท่านนะถึงจะเรียกว่าไม่ใช่สัมภเวสีนสัมภเวสีนี่ไม่มีหลายแบบไงแบบเทพก็มีแบบเปรตก็มีเทพก็เป็นสัมภเวสีอย่างหนึ่งเปรตก็เป็นสัมภเวสีอย่างหนึ่งมนุษย์ก็เป็นสัมภเวสีอย่างหนึ่ง เราต้องเข้าใจก่อนว่าแต่เรามักจะเข้าใจผิดกันพอเราพูดสามภเวสีนี่ ห, หมายถึงพวกเปรตพวกดวงวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ยังไม่ได้ไปสวรรค์ยังไม่ได้ไปเป็นมนุษย์เป็นเปรตอยู่ขิวไม่มีอะไรกินก็เลยมาขอส่วนบุญจากพวกที่ทําบุญกันท่านนั้นเองขออธิบายให้ฟังหน่อยเ <Yeah. S 1> พราะมักจะเข้าใจตอนตอนเราเข้าใจผิดพอเราไปเปิดหนังสือดูไปดูพระเจ้านุกรมแปลความหมายเขาบอกอ้อ ผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นสัมภเวสีทั้งหมดสัตว์ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แม้แต่พระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งสองสามก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่พระโสดามันยังเหลืออีกเจ็ดชาติเป็นอย่างมากพระสกิดาขามีก็เหลือชาติเดียวพระอน า, าคามีก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมมีพระอนาพระพุทธเจ้าที่ไปอยู่ในพระนิพพาน ที่ไม่มีที่เกิดก็เลยไม่เป็นสัมภเวสีมีอีกไหมคาถามจากคุณพลเทพนะครับการปงการปล่อยวางทาให้ถูกเอาเปรียบควรปฏิบัติอย่างไรครับถ้าคิดว่ายังถูกเอาเปรียบอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ปล่อยวางคนที่ปล่อยวางก็คิดว่าเอาไปเถิดกองทุกกองขี้อยากจะได้ก็เอาไปเราถ้าเราคิดว่าถูกเอาเปรียบอยู่ก็แสดงว่าเยังเห็นกองทุกกองขี้ว่าดีอยู่ ยังเสียดายอยู่ก็เลยคิดว่าถูกเอาเปรียบเช่นลาบยุยสรรเสรินเนี่ยในสายตาของผู้ที่มีปัญญาเขาเรียกว่าเป็นกองทุกข์เป็นกองขี้แต่ในสายตาของคนมืดบอดคนมีโมหะความหลงนี่จะเห็นเป็นเป็นอาหารอันโอชะอี้พอใครมาแย่งไปก็ถือว่าถูกเอาลัดเอาเปรียบแต่คนนี้มีปัญญาเอาไปเลยอยากจะได้กองนี้อยากจะได้อุจจาระเอาไปเลย เพราะมันทุกข์อ่ะไอมีของพวกนี้แล้วมันทุกข์ไม่มีแล้วมันไม่ทุกข์เข้าใจไหมคนมีเงินกับคนไม่มีเงินเนี่ยคนไม่มีเงินไม่ต้องทุกข์กับเรื่องเงินนะก่อนที่มีเงินต้องคิดแล้วกูจะไปฝากที่ไหนที่เอาไปซ่อนที่ไหนดี <c oughs> จะปลอดภัยหรือเปล่าคนไม่มีก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหมไม่ต้องทุกข์กับมันเข้าใจหมหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับพาีาแจ๊คอก็ดี ก็พอสมควรแก่เวลาไม่ไกอยากจะถามเองไหมเมื่อวานพูดทั่วๆไปนะครับการได้ไปเห็นสิ่งที่คนรวยเขาทำให้กับผู้ศาสนาแล้วไม่แปลกใจเลยครับว่อาจารย์ว่าทำไมเขาถึงเกิดมารวยครับอาจารย์เขาทำได้ดีนะครับอ <laughs> โอเคก็เรื่องของบุญเนี่ยบุญต่อบุญคนเคยทำบุญมาแล้วมันก็จะติดนิสยัยอย่างพระเวชสันดอนเนี่ะสละหมดเลย แล้วพอมาเกิดได้เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีประสาทสามฤ ด, ดูแล้วพอถึงเวลาจะสละก็สละได้อย่างง่ายดายออกบวชได้อย่างง่ายดายมีเจ้าชายมีพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนบ้างที่ในปัจจุบันนี้ออกบวชกัน่แสดงว่าทานบา ร, รมีนี้ไม่ไม่ถึงนะอาจจะได้ได้มาโดยวิธีอื่นไม่ได้จากการได้ทานบา ร, รมีก็ได้การร่ำรวยนี้มันได้มาหลายวิธีนะ ได้จากการแก่งแย่งชิงดีก็ได้ได้จากการทําบาปทํากรรมก็ได้ทําสงขามก็ได้มันนี่ไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการได้มาจากทานบา ร, รมีทานบา ร, รมีนี้มันต้องมาเองไม่ต้องไปดินน้นดลเหมือนเหมือนส้มหลน่นอยู่ดีๆมันก็มาเองเกิดมาก็มาอยู่บนกองสมบัติอันใหญ่โตออันนี้ก็เป็นเรื่องของทานบา ร, รมี ก็คิดว่ามีท่านนี้ใช่ั้มหมดแล้วครับพระา okay. อาจารย์ทคุกอขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพพนิ์พิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ